ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะสงน้ำไม่พึงขัดสีกายกับฝารูปใดขัดสีต้องอาบัตทุกกฎ